คนสมัยนีนะ้มีความทุกข์นะเพราะคนอื่นอันนี้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั่วไปไม่ใช่ทุกกายนะเป็นทุกใจนะทุกเพราะคนอื่น คนอื่นในที่นี้ก็หมายถึงคนแวดล้อมคนใกล้ตัวเ่อคนแวดล้อมคนใกล้ตัวนี้เนี่ยนะเราจะนึกถึงคนที่มีความเกลียดชัง มีความอิดช้าหรือว่ามีการแย่งชิงผลประโยชน์ก็ธรรมดานะถ้าเกิดว่าแวดล้อมด้วยคนที่เราไม่ชอบคนที่เราเกลียดหรือว่าคนที่เขามุ่งร้ายต่อเรา มันก็ยังมีความทุกข์ใจเป็นธรรมดาแต่บางครั้งความทุกข์เนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากคนอื่นที่เราเกลียดที่เราไม่ชอบจะเกิดจากคนที่เรารักก็มีอันนี้ก็เยอะมากคนที่เรารักก็จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นแฟน ก็ไม่ใช่คนไกลตัวมันทุกข์เพราะอะไรนะเราจะว่าทุกข์เพราะความปรารถนาดีอยากจะให้เขาเป็นอย่างที่เราขาดคิดให้เขาเป็นอย่างที่เราปรารถนาแต่ว่าเขา ไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ทุกข์แต่ว่าเหตุผลอาจจะมีมากกว่า น, นั้นก็ได้เรามีเหตุปัจจัยที่กว้างกว่า น, นั้นม <c oughs> ีเพื่อนหลายคน ก็บ่นว่าบนเรื่องพ่อบนเรื่องแม่มีความเครียดมีความกลุ้มใจที่พ่อหรือแม่ไม่รู้จักปล่อยวางอย่างวิตกกังวลเรื่องล้านอย่างวิตกกังวลเรื่องลูก อย่างวิตกกังวลเรื่องงานการอายุก็มากแล้วนะเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะควรจะพักนะควรจะปล่อยวางได้พอพอวิตกกังวลก็จะบางทีก็นอนไม่หลับบางทีก็ขุนเคืองใจนะหมายถึงตัวพ่อแม่นะ สุขภาพก็จะแย่ลงพอนอนไม่หลับเรื่องอืน่นก็ตามมาผู้ที่เป็นลกูกก็เครียดเพื่อถึงขั้นกลุ่มใจ้ามาปรึกษาว่าทำยังไงจะให้พ่อแม่ปล่อยวางได้ก็บอกเขาไปว่า การปล่อยวางมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะจะไปคาดหวังให้พ่อแม่ปล่อยวางเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องงานการรับสมบัติก็ขนาดลูกเองยังไม่ปล่อยวางเลยลูกบอกให้พ่อแม่ปล่อยวางแต่ลูกเองปล่อยวางไม่ได้ที่ลูกเครียดที่ลูกกลุ้มเพราะลูกยังปล่อยวางเรื่องพ่อแม่ไม่ได้ อันนี้มันก็จะว่าแบบก็แปลกนะลูกอยากให้พ่อแม่ปล่อยวางเรื่องร้านเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องงานการแต่ตัวลูกเองนี่ยกับปล่อยวางพ่อแม่ไม่ได้พอปล่อยวางไม่ได้ถึงเครียดไงพ่อปล่อยวางไม่ได้ถึงกลุ้มไงเป็นอย่างนี้เยอะเลยนะ เรียกร้องให้พ่อแม่ปล่อยวางแต่ว่าไม่ได้กลับมาดูตัวเองว่าแล้วเราเนี่ยปล่อยวางหรือยังเจ้าตัวนี้ไม่รู้นะว่ากำลังยึดติดถือมันเห็นเห็นแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยเอ้ยึดติดนะเ ร, รเรื่องลูกเรื่องหลานแต่ตัวเองเนี่ยตัวลูกยังไม่เห็นนะ ไม่ว่าตัวยังก็ยึดติดเหมือนกันยึดติดพ่อยึดติดแม่พ่อแม่ไม่เป็นไปอย่างที่หวังก็เครียดอันนี้เกิดขึ้นน ะ, ะทั่วไปเลยนะบางทีพ่อแม่ไม่สบาย พอแม่ป่วยลูกก็เครียดนะคือเครียดไม่ใช่เครียดเพราะว่ากลัวเพ่อกลัวว่าไม่อยากให้พ่อแม่ตายยอมรับได้แต่ว่าพ่อหรือแม่อายุมากแล้วก็บางทีจะเก้าสบแล้วมีบางคนอาจจะเกือบร้อยแล้วแต่ว่าอย่าง ทำใจไม่ได้เพราะแม่งทำใจไม่ได้จะมีความวิตกกังวลว่าว่าจะตายแล้วหรือเนี่ยมีความกลัวตายทาั้งในตัวเองก็ป่วยนะมองทีก็เป็นโรคหัวใจนะเข้าโรงพยาบาลก็หลายครั้งแทนที่จะ ลูกก็คาดหวังเนี่ยพ่อแม่จะทำใจได้แต่พ่อแม่ก็ยังยังเครียดยังวิตกกังวลไอ้ลำพังแค่ความแก่นี่ก็มันก็น่าจะทำให้เตรียมตัวยอมรับความตายได้นี่มันไม่ใช่แกงอยู่นะป่วยด้วยป่วย พอพอมีความวิตกกังวลก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับก็เป็นภาระของลูกเรียกร้องให้ลูกมาช่วยปรนดิบัติมามานวดมาเฟ้นบางทีเรียกดึกดึงดึงก็มาเรียกเนี่ยมีคนไข้แบบนี้เยอะเลยนะเพศเรียก เลียกลูกเลียกลานให้มานวดบางให้มาขยับตัวบางให้มาพลิกพลิกตัวบางให้มาปรับเตียงบังพวนี้เนี่ยไม่ได้มีความทุกข์กายนะไม่ได้มีความเจ็บความปวดความเมื่อยอะไรหรอกมันทุกข์ใจทุกข์เพราะความกลัวเพราะความวิตก มันก็เลยแสดงอาการเจ้าตัวก็ไม่รู้ด้วยพอไม่รู้มันก็แสดงอาการออกมาเป็นอาการแบบนี้แหละจะเรียกว่าเรื่อร้องความสนใจก็ได้เรื่อร้องความใกล้ชิดจากผู้คนจะได้ถ้ามีคนมาดูแลมาสัมผัสมาปรนนิบัติอยู่กับตัวก็จะทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจทําให้หายกลัวแต่หนึ่งจยากตัวเองไม่รู้อ ไม่รู้ไม่รู้ทอแทนความรู้สึกนี้ก็ยังไม่คิดว่าปวดเมื่อยอะไรต่างคนที่ตามมาคนที่เป็นลูกก็เครียดลูกก็มาถามว่าทำยังไงถึงจะให่พ่อแม่อยอมความจริงได้ว่ากําลังจะตายให้พ่อแม่อยอมรัความจริงว่านี่มันป่วยหนักแล้วมันมันตุดที่จะเยียวยาได้ตัวลูกก็เครียด ก็เลยบอกลูกไปว่าในการที่ให้คนไข้ยอมรับความจริงนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้แต่ลูกเองก็ยังไม่ยอมรับความจริงเลยไปเลียกให้พ่อแม่ยอมรับความจริงไปคาดวังให้พ่อแม่ยอมรับความจริงบางทีพูดไปเูางงนะลูกก็งงไอ้หมายคามวยังไงก็ลูกยังไม่ยอมรับความจริงว่าว่าพ่อแม่เป็นอย่างนั้น ลูกยังไปคาดหวังให้พ่อแม่ปล่อยวางให้พ่อแม่อยังรับความจริงว่าตัวเองจะตายลูกยังให้พ่อแม่อย่ารับความจริงเกี่ยวกับสภาพของตัวเองแต่ว่าลูกเองกลับไม่สามารถจะยังรับความจริงเกี่ยวกับพ่อได้หรือเกี่ยวกับแม่ได้ว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นอย่างนี้แหละ ถ้ารู้เรื่มตัวจัดการยารักความจริงว่าพ่อแม่เป็นอย่างนี้แหละนะลูกก็จะไม่เครียดลูกก็จะไม่กลุ่มพอลู้ไม่เครียดไม่กลุ่มนะมันก็ช่วยทําให้พ่อแม่เนี่ยเรียกว่าคลายความวิตกกังวลหรือคลายความเครียดมันมีความเครียดมก็ ถ, ถ่ายเทกันไปถ่ายเทกันมานะความเครียดของพ่อถ่ายเทยให้ที่ลูกส่วนพอลูกเครียดก็ถ่ายเทไปที่พ่อมันก็เพิ่มนะความเครียดให้มากขึ้นบางทีเราจะไปคาดหวงคนป่วยให้ทําให้ทําใจอย่างนั้นอย่างนี้เช่นปล่อยวางหรือยอมรับอะไรนี่ก็ยากเพราขนาดลูกซึ่ง สุข ภ, ภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยก็ยังทําใจยอมรับนะความจริงของพ่อแม่ไม่ได้ความจริงของพ่อแม่ในที่นี้มันหมายถึงว่าพ่อแม่กนลังตายแต่หมถึงว่าพ่อแม่เขมีนิสัยแบบนี้แล้วแต่ว่าก็เห็นทั่วไปนะคนที่ดูแลผู้ป่วยก็มักจะคาดหวังเลียกร้องให้ผู้ป่วยปล่อยวางให้ผู้ป่วยทําใจ ให้ผู้ป่วยย้อความจริงแต่พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังก็เครียดก็ทุกข์แล้วก็ยังคิดดิ้นรนหาทางที่จะทำให้คนป่วยคนไข้เขาเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการแต่ว่าก็ไม่ได้กลับมามองตัวเองว่าตัวเองก็เป็นอย่างผู้ป่วยเหมือนกันตัวเองก็ยึดติดเหมือนกันวเวรก็ปล่อยวางไม่ได้เหมือนกันตัวเองก็ย้อความจริงไม่ได้เหมือนกัน อม่แค่ลูกเนี่ยยอมรับความจริงของพ่อแม่ได้แล้วเขาเป็นอย่างนี้แหละยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นให้ความเครียดก็จะน้อยลงความเห็นอกเห็นใจก็จะมีมากขึ้นก็จะไม่ไปบีบคั้นเขาด้วยความปรารถนาดี แต่ที่จริงจะว่าบีบคั้นด้วยความปรารถนาที่ก็ไม่ใช่นะมันต้องเรีบีบคั้นเพราะความยุติดถือมั่นมากกว่าเราไปคิดว่านั่นคือความปรารถนาดีแต่จริงมันคือความยึดติดถือมัน่นความปรารถนาดีอาจจะมีสักสิบยี่สเอร์ซที่เหลืออีกแปดสิบซคือความยึดติดถือมัน่น mm. เรื่องทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็คือสรุปก็คือว่า ไปโทษคนอื่นว่าทำให้เราทุกข์นะแต่ว่าลืมมองตัวเองโทษพ่อแม่ว่านี่ไม่ปล่อยไม่วางเราก็เลยเครียดโทษพ่อแม่ว่าไม่รู้ไม่ยอมรับความจริงเสทีแต่ตัวเองก็ไม่ยอมรับความจริงของพ่อแม่ก็เลยเครียดสโลก็คือไม่ได้ไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นนะนะทุกข์เพราะตัวเองนั่นแหละ ทุกปะวางใจไม่ถูกทูกพอไปเรียกร้องคนอื่นจดลืมเรียกร้องตัวเองฉะั้นทางออกก็ทางแก้ก็มีอย่างเดียวคือจัดการที่ตัวเองเริ่มที่ตัวเองก่อนเป็นอย่างนี้เยอะนะไปเรียกร้องคนอื่นให้เขาทำอย่างงู้นอย่างนี้แล้วคิดว่ามันจะช่วยทำให้ความทุกข์ของตัวเองลดลง แต่ที่จริงเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากตัวเองพ่อแม่หลายคนก็บน่บนบ่นด้วยความทุกขนะ์เนาะมันถามว่าทำไงถึงให้พ่อแม่ไอ้ทำให้ลูกนี่ฟังพ่อแม่บังตอนนี้ลูกนี่ดื้อมากเลยไม่ฟังพ่อแม่เลยก็บอกเขาไปว่าเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่ พ่อแม่ฟังลูกก่อนการที่ลูกมีนิสัยแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ฟังลูกมาก่อนตอนที่ลูกยังเด็กนะสามสี่ขวบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขวบนี่ลูกได้แะเป็นฝ่ายฟังพ่อแม่นะพ่อพ่อแม่ก็ไม่ค่อยฟังลูกเท่าไหร่คือสั่งอย่างเดียวบังคับ หรือว่าชี้นิ้วหรือว่าสอนสั่งกับสอนนี่บางทีก็ใกล้กันมากนะสั่งสอนเนี่ยสอนด้วยการสั่งแล้วก็สั่งเป็นการสอนทำนี้กับเด็กมานานตั้งเด็กพอเด็กเป็นวัยรุ่นเด็กก็ไม่ฟังพ่อแม่นะเรียกว่าเป็นความเก็บกฎก็ได้หรือว่าเป็นการ เ, าเป็นการตอบโต้ก็ได้ พ่อแม่ก็ทุกข์นะทุกข์พ่อคิดว่าลูกไม่ฟังพ่อแม่แต่ที่จริงเพราะว่าตัวเองไม่ฟังเขามากกว่านี่ก็เหมือนกันนะไม่ได้มองตัวเองเลยไปไปมองคนอื่นแล้วก็ไปคาดหวังความเปลี่ยนแปลงจากคนอื่นโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุนี่มาจากตัวเองแล้วก็ไม่ได้มองว่าความเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากตัวเอง ครูอาจารย์หลายคนก็มาถามว่ายังไงจะให้เด็กลักการเรียนเพาเด็กไม่สนใจเรียนเลยเวลาครูบรรยายก็อาจจะ ก, ก้มหน้าก้มหน้าทําอะไรก้มหน้าเล่นลายครึ่งห้องเนี่ยเมื่อเด็กเรียนดีนะเช่นเด็กนักศสพัพเพนี่ครึ่งห้องก้มหน้านไม่ได้ดูกระดานเลย เล่นไลนะ์ Facebook ดูโทรศัพท์ทำยังไงดีให้เด็กนี่รักการเรียนก็ต่อเขาว่าเนครูหรืออาจารย์ต้องรักการสอนก่อนเวลาสอนต้องสนุกด้วยนะครูส่วนใหญ่อาจารย์จำนวนมากนี่ไม่ได้รักในวิชาที่ตัวเองสอน หรือไม่รักการสอนเลยไม่สนุกกับการสอนถ้าครูนี่รักการสอนนะสนุกกับการสอนนะนักเรียนจะจะเริ่มส่วการเรียนแนละ้วถ้าครูไม่รักการสอนเนี่ยจะให้นักเรียนมารักการเรียนได้ยังไงนะยากเพราะว่า ครูก็เป็นผู้ใหญ่แล้วมีประสบการณ์มากแล้วก็ให้การสอนนี่สําหรับครูแล้วเนี่ยมันมันง่ายกว่านักเรียนนะเพราะครูสอนวิชานี้มาเป็นสิบปีแล้วนักเรียนมาเพิ่งเพิ่งมาเรียนวิชานี้มันก็งงมันก็สุดจ้าแต่สำหรับครูเนี่ยจะหมายถึงว่าเป็นการมันเป็นกับวิชานี้มันเป็นเรื่องง่ายๆสําสหรับครูแล้ว แต่เด็กนี่ยังเจอวิชานี้ครั้งแรกก็งงมันยากจะให้เขาสนุกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อก็าตามี่ครูหรืออาจารย์สนุกการสอนการเรียนลูกศิษย์กย็ค่อยๆสนุกกับการถ้าครูสนุกการสอนสนุกการบรรยายนะนักศาก็จะเริ่มสนุกการเรียนมากขึ้น ไม่ต้องเรียกร้องนัองเรียนและเรียกร้องตัวเองดีที่สุดทงหมดที่พูดมาเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคือว่าไปคิดว่าทุกข์เพราะคนอื่นแต่จริงทุกข์เพราะวางใจไม่เป็นพอคิดว่าทุกข์เพราะคนอื่นมันก็เลยไปเรียกร้องคนอื่นเย้อนคอย เ, เปลี่ยนแปลงแต่ตัวเองก็ไม่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลย ในการ น, นี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปหมดนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะมองคนอื่นชัดนะแต่ว่าไม่ค่อยมองที่ตัวเองเท่าไห ร, ไร่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยกำลังทำอะไรลงไปมันมองไม่เห็นจริงๆนะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ มันไม่รู้ตัวจริงนะว่าทำอะไรลงไปถ้าไม่กลับมามองตัวเองคือตัวเองก็ยึดติดกับพ่อแม่ต่มองไม่เห็นไม่รู้ตัวว่าตัวเองยึดติดตัวเองนี้ไม่ย้ับความจริงก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่ไม่ไม่เอาไม่หันมามองตัวเองบ้าง ที่ไม่มองตัวเองเป็นเพราะว่าอำนาจความปรารถนาดีก็ได้เพราะปรารถนาดีหรือความรักเนี่ยมันทําให้จิตใจใ์มันส่งออกนอกได้ง่ายความเมตตาความปรารถนาดีข้อดีมันก็มีแต่ข้อเสียคือมันทําให้จิตส่งออกนอกแล้วจกนกรทั่งลืมกลับมามองตัวเองพอไม่ได้กลับมามองตัวเองก็เลยไม่รู้ตัวว่าทําอะไรไปไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังสร้างปัญหา สร้างปัญหาไม่ใช่ให้กับตัวเองเท่านั้นนะสร้างปัญหาหกับคนที่ตัวเองรักด้วยเจ่นลูกเขาเครียดเนี่ยที่พ่อแม่ไม่ปล่อยวางลูกก็ทำให้พ่อแม่เครียดเพิ่มขึ้นไปพอลูกไม่พอลูกเครียดกลุ่มที่พ่อแม่ไม่อยอมรับความจริงว่ากำลงังจะตาย ความวิตกความเครียดของพ่อแม่ที่มีมากอยู่แล้วก็เลยเพิ่มขึ้นไปเพราะซึมซับแล้วเอาความเครียดของลูกเข้าไปเห็นหน้าทําลูกทาหน้ายูยยี่ก็ไม่ค่อยอยากจะพูดไม่ค่อยอยากจะจามีเรื่องอยากจะเล่าลูกก็ทําหน้าตายุยยี่ก็เลย ไม่อยากระบายไม่กล้าระบายพอไม่กล้าระบายความทุกข์ก็ยิ่งสะสมแต่ถ้าเกิดว่าลูกทำใจสบายพ่อแม่ที่ป่วยก็คงอยากจะมีเรื่องอยากมีความรู้อยากจะเล่าเพียงแค่เล่เพียงแค่ระบายว่าวิตกกังวลยังไงกลัวยังไงนี่ก็ช่วยได้เยอะนะช่วยคนป่วยได้เยอะ เพียงแค่เขาบอกว่าเขากลัวคอยวิตกเนี่ยแค่เขาได้พูดนนี้ก็สบายแล้วแต่ถ้ากลัวเป็นหน้าลูกบอกบุญไม่รับนะลูกเครียดก็ไม่อยากจะเล่าให้ความกลัวคขาวิตกก็เลยยังสะสมอยู่นี่ก็เพิ่มความเครียดเพิ่มความทุกข์มากขึ้น พ่อแม่ที่เป็นทุกข์ที่รู้สึกว่าลูกไม่ฟังพ่อแม่พ่อแม่แบบนี้ก็จะเครียดแล้วก็ยิ่งยิ่งดุยิ่งด่าลูกเข้าไปใหญ่ลูกก็ยิ่งปฏิเสธตอบโต้ to. ครูที่รู้สึกว่านักเรียนไม่สนใจการเรียนก็ยังเครียดนะ เวลามาสอนยังก็ยิ่งไม่อยากสอนหรือว่าก็ทำหน้าบึ้งใส่ใส่เด็กเด็กก็ยิ่งไม่อยากเรียนเข้าไปอ่ามันก็เลยเกิดปัญหามากขึ้นพอเด็กไม่อยากเรียนครูก็เครียดหนักขึ้นพอลูกตอบโต้พ่อแม่ดือ้อพ่อแม่ก็ยิ่งเครียดอีกนะความเครียดมันความทุบมันถ่ายเทกันไปถ่ายเทกันมา ทั้งหมดนี้ปัญหามันต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเริ่มต้นที่คนที่รู้สึกว่าคนอื่นเป็นปัญหาก็ต้องหันมามองว่าตัวเองนี่เป็นปัญหาด้วยหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นเป็นผู้รับผลของปัญหานั้น ถ้ากลับมามองตัวเองนะมันก็จะรู้ว่าโอ้เรานี่ไปเรียกร้องคนนั้นคนนี้ให้ปล่อยวางแต่เราเองปล่อยวางไม่ได้อพอรู้งี้มันปล่อยวางเลยโอ้เราไปเรียกร้องให้พ่อแม่อยอมลับความจริงแต่เราเองอยอมรับความจริงของพ่อแม่ไม่ได้ เราไปคาดหวังให้เป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้เหมือนกับที่พ่อแม่ก็คาดหวังว่าฉันจะต้องอยู่ไปได้อีกนานพอเราเห็นตัวแบบนี้เราก็เริ่มยอมรับความจริงของพ่อแม่ได้ก็จะวิตกขโมยยังไงเออก็ช่างเขาเราก็ไปเยี่ยมเข้าไปดูแล้วเขาด้วยสีหน้าที่ที่ผ่อนคลายมากขึ้นยอมรับทุกอย่างอย่างที่เขาเป็น เขาจะกลัวเขาจะพี่ตกงเเออก็ช่างเขาก็จะเรียกร้องให้มาปรนนิบัติยังไงเออก็ทําแล้วทำไปยังไงจะเพรความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเท่านะั้นนะความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเขาด้วยหลายคนนี่พอลูกๆนี่ให้ความดูแลความอใจใส่ไม่ไม่ปี่ปากวนพ่อแม่เป็นอย่างพ่อแม่ตัวจริงยังไงเออก็ยอมรับ เขาเป็นอย่างนั้นเองพอทาไ ป, ไปําไปพาอแม่หายจูจีที่เคยเรียกคนมาปลูกเคยปลูกคนนู้คนนี้ให้มาตื่นกลางดึกมาดูแลปรนิบัติตัวเลิกบางทีไล่ให้ไปนอนเลยฉันจะฉันมาคนเดียวได้ไม่ต้องมาเฝ้าฉันสบายใจลยแล้วถึงเวลาตายก็ตายสงบ ยุกครั้งเวลาที่เรารู้สึกทุกข์เพราะคนอื่นเนี่ยเพราะคนที่เรารักเนี่ยต้องให้กลับมาดูตัวเราเองสาวหาสํารวจใคร่ครวนว่ามันอยู่ที่เราหรือเปล่านะหรือแม้แต่คนที่เราไม่ชอบเดี๋เพิ่งไปคิดว่าเราทูกเพราะเขาเนี่ยต้องกลับมาที่ตัวเราสํารวจว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่า เราวางใจถูกหรือเปล่านสุดท้ายก็พบว่าเราไม่ได้ทุบพ่อคนหนึ่งหรอกเราทุบพ่อใจที่วางไว้ผิดนั่นแหละต่ตรงนี้แหละการแก้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นได้ตนน็ในตรงนี้นะครอบ